อ, ะะอ้ออคอลเมราะค้าแล้แรกไตหรือประพุทธพระทําประสูงค อ, อน้อบนอมน้องพอน้องปู่เทียนของพ่อคําเขียนที่ขรบอย่างสูงสุดของพวกเราทุกทุกท่านแล้วก็น้ำมันตการคุณคุบายจานพ่อร้ อ, องพี่ทุกทุกท่าน ขอเจริญพรแม่ชีอุบาตถกอุบาติกาผู้ฝ่ในธรรมทั้งหลายเอาลงมือลงตามสบาย <c oughs> วันนี้ก็เป็นบาระของหลวงพ่อก็ตัดผิดใจเองแล้วแหละว่าจะไม่ได้พูดว่าจะไม่พูดอีกตีดอกธรรมะเนี่ยก็นานแล้วแหละเพิ่งเมื่อวานนี้ได้พูดถมันผิด ผลาดประการในก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเท่าแก่มาแล้วก็หลงหน้าหลงหลังไม่ค่อยได้เข้าใจเท่าไรเท่าไหรหรอกอารมณ์ก็ไม่มีมีแต่ความเหนื่อยความล่าไปไหนก็ไปยากให้เราตั้งใจทุกๆคนบุญวัตนาบา ร, รมีเรามีมาจึงได้มาพบ อย่างนี้เพราะคนเราน่าเกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วล่ะเกิดมาเนี่ยทั้งพ่อแม่เราก็เหมือนกันเกิดมาเล่นเชยเชยเกิดมามีแต่การให้ทานการรักษาศีลการทํทาบุญให้ทานรักษาศีลนี่นมีมาแต่เกิดตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเป็นพุทธ ต, ต, ตาสนาพากันถือมาอยู่อย่างนี้แหละเอแล้วก็ ไม่เห็นได้ออกทุกได้เหมือนพระพุทธเจ้าหรือเหลว ง, งปู่นกปู่เทียนที่เรามาสอนพวกเราอยู่นี่ไม่เคยเห็นไม่ได้ยินแล้วก็เพิ่งมาเห็นนี่แหละนี่ว่าบุญวัฒนาบา ร, รมีอะไรเนี่ยเราเรามาเห็นเนี่ยแล้วเพราะท่านทำมาแต่ของอย่างเดียวเนี่ยเอเราก็การทาบุญการให้ทานการรักษาที่นะ่ยทมาแต่ไหนแต่ไรเกิดมาแล้วก็ยังมา ไ้กรรมไ้เวีนต่อหมุดแล้วก็มาเกิดอีกมาเกิดเดี๋ยวก็มาทำอะไรอย่างเดียวนี้ของที่ดีอยู่ในเนื้อในตัวของเรานะ่ะไม่เคยมาศึกษาเรื่องชีวิตจิตใจของเราเนี่ยไม่เคยมาแล้วก็ได้แต่ของเก่าเนี่ยแหละมาจินก็จินของเก่ามาเกิดก็มาเกิดของเก่าเนี่ยแหละเปลี่ยนกันรับเปลี่ยนกันลูกเปลี่ยนกันรับเปลี่ยนกันร่องจ้างจองจล่างจองขานจองเวนีนจองกรรมกันไปใครทําอะไรก็เป็นตมบัตรของเราที่ได้มาคลองอยู่ในชาตินี่ นั่นแหละเอีที่เราตายไปนี้ก็เรามาทําอยู่นี้เป็นของใหม่เป็นของใหม่แล้วถมมุดว่าเราไม่ได้มาฝึกมาเพิ่งเพึ่งเป็นแบบเนี่ยถ้าเราทําแบบนั้นจากอย่างเพ่ออยากแม่เราทํามาแล้วน่นนะก็มาเนี่ยมาสร้างกรคำใหม่มาสร้างคำใหม่มาสร้างกรครำรรเก่าขึ้นเออมามากินกรคำเก่ามากินของเก่าเรามากินอยู่เนี่ยแต่มากินอยู่กินอยู่านี้แหละได้กินอยู่ดีกิน ด, นดีบางทีก็ บางคนก็มีเงินมีทองมีข้าวมีของมีของไม่อดไม่อยากคนในได้ทําบุญให้ทานมากๆมาแต่ก่อนเนีย <c oughs> มันก็ได้มาอยู่ทางนั้นทุกอย่างเนี่ยก็ก็ของเดิมเราทําำมาแล้วเราก็ต้องได้มาอันนี้แหละทองที่เราทําวันนี้ก็เรามาได้กินอยู่ระเนียมาทําอยู่ระเนี้ก็ไนดะ้กินอยู่ระเนียมีก็ทุกจนก็เบนเป็นอยู่อย่างนี้แล้ววันนี้ก็ชาติต่อไปนี้ก็ แล้วก็ได้ไปใช้ทัศกรรมที่เรามาอยู่ในนี่แหละอีกถ้าเราดับไปถ้ามีเหตุมีกรรมอยู่แล้วก็ได้มาเกิดอีกมีกิเลสอยู่เนี่ยได้มากลับมาเกิดเหมือนเดิมปีกินกับเราเนี่แหละส่ ว, วนที่เรามาอยู่ทำเดี๋ยวนี้อ่ะอันนี้นะั่นมันหมดไม่เป็นอยู่อันนี้ก็เรียกวโลกโลกิยะที่เราคําเดี๋ยวเนี้ส่วนโลกุตลนะนั่นคือความปล่อยวางอยู่ในโลกเนี่ย ให้ละให้ปล่อยให้วางมีอะไรก็ตามเหมือนไม่มีพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้มันโกรธมันโกรธมันเชียร์มันอิจฉามันพยาบาทกันไม่ให้ไปจองเวียนจองกรรมไปเหมือนเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเราก็มาจนนี้ยังไม่รู้เราก็รู้พอเป็นหนทางพอเป็นหนทางนี้ก็ละละได้บ้าง บางทีละไม่ได้แล้วก็มีบ้างแต่ว่ามันลดหย่อนผ่อนพันไปตั้งหลายเท่าอยู่ถึงเมนบ้าเราไม่ได้รู้จักมันมันยังดูไม่ไม่รู้ชัดอะ่ะในชีวิตจิตใจของเราเนี่ยไม่ใช่รู้อย่างอื่นให้มาดูในชีวิตจิตใจของเราเนี่ยให้รู้รูป ร, ร, รูน้ำเนี่ยให้มันได้ให้มันเข้าใจขั้นต้นเนี่ยอารมณ์รูปนามเนี่ยถ้าเราเข้าใจในอารมณ์รูปนามเนี่ยต่อไปนั้นเราก็ได้มี กุถอนแล้วกูถอนที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยได้แค่ใดก็ตามเร า, าย้อยากได้เวลามาประฟื้นปฏิบัติเนี่ยขอทําใจให้มันผุดพองส่องสว่างสวยอยู่ในกิตในใจของเราอะไรเกิดก็ให้มันรู้รู้เท่ารู้ทันในความคิดของเรานาะเกิดแบบได้มาแบบใดนั่นนะ่ะเราจะเข้าไปเป็นกับมันแต่ก่อนเราไปเป็นนั่นน่ะมีตาหู จมูกลนีนกายใจกระทบรบ ก, กระทบเสียงมันก็เกิดเป็นอาการเกิดขึ้นมาเงินบางทีก็ดีบางทีก็ชั่วบางทีก็ร่ายบางทีก็หลงเนื้อดืมตัวหลงกายดืมใจไปเรื่อยๆไปถ้าเราไม่มาฝึกเรามาไม่มาหัดนี่แล้วก็จะเป็นตมบัติของเราที่เราจะไปคลองในการต่อไปอีกเนี่เนี่ยเราก็บรร น, นี้ก็พอเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะ มันติ่งไหนที่มันท่วงซ่าเร็วราตามที่เราเคยทำมาแต่เก่าแต่ก่อนเคยโกรธเคยอิจฉาเคยพยาบาทคนนั้นคนนี้กับคนอื่นหรือเสด อ, อันหนึ่งก็กตามแล้วก็จะค่อยละ ป, ปล่อยวางไปสิ่งที่จำเป็นแท้ๆเราก็ต้องทำทำไ่ทำไม่ได้เนี่ยเราก็ทำไปทา ไ, ไปทั้งคิดนั่ น, นแหละไม่ไม่อยากไม่ไม ไปเต็มอกเตียใจเหมือนเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนแล้วก็โกรธสมว่าประกฏขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ก่อนเราเกิดเรไม่ลืมพอระหว่าปฏิบัติข้งนี้ไปเนี่ยมันจะลืมเพอมันเชียบโกรธขึ้นมาเนี่ยพอเห็นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะคาดใครใครมันออกไปออกไปเสฉยๆเนี่ยตั้งแต่ก่อนมันไม่เคยเป็นเดี๋ยวเนี้มันออกไปแล้วออกไปหลายแล้วคนพวกที่ของพวกเรามาอยู่เนี่ย กิเลสนี้ของเราเนี่ยมันก็จะเบาจะบางไปสิ่งที่นั้นเคยทำความหยาบเจ้าลามกเราก็จาไม่กล้าทำเคยตัดเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราเนั่นเราก็ตัดออกไปจนมากบางคนไม่เอาเลยอย่างเนี้นี่ว่าเกิดมาเนี่ยเข้ามาในธรรมเนี่ยคือว่ามาตัดกรรมให้ตัวเองอคิดเห็นแล้วเราจะไม่สร้างพพสร้างราตอีก พอเราเห็นตัวความคิดแนี่เราจะไปเห็นแล้วก็เราจะจะไม่เข้าไปเปลี่ยนกับเพา อ, อมันกระทบมาเท่าไร่ก็รู้จักว่ามันกระทบแล้วก็เลี้ยวไปมีตากระทบรูปอย่างเนี้ยความรักก็มีความชังก็มีแล้วก็เห็นเห็นแล้ก็อาการถิ่งที่มันเกิดเนี่ยการรู้จกักธรรมะคือไปเห็นชีวิต จ, จิตใจเวลามันออกกตัวของตัวเราไมันความเกิดกิเลสขึ้นมาเนี่ยคือความพอใจบ้างความไม่พอใจบ้างมันจะเกิดขึ้น เห็นแล้วมันก็จะค่อยค่อยหายไปมีที่เพื่อมีที่อาศัยคือเรามาอาศัยกายอาศัยกจเราเวลามันเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยให้เรามาอาศัยตัวนี้แต่ก่อนเราไม่เคยไม่เคยเห็นถ้ามันไปกระทบอะไรแน้ะก็เป็นไปกับมันทั้งหมดเลยไม่มีหยุดหย่อนผ่อนผันให้ใครทั้งหมดให้เอาเอาชนะกันเนี่ยทำขโง่ให้ตัวเองเนี่ยกรรมทุกอย่างเราขึ้นทาเองไม่ใช่มีคนอื่นมาทาให้ เนี่ยพอเรามาเห็นเนี่ยเราจะไม่สร้างพบสังชาติอีกคือไม่เห็นพอเห็นความคิดเนี่ยเราจะไม่เข้าไปอยู่ในความคิดเราจะไม่เป็นเหมือนความคิดมันแต่งปรุงแต่งไปเราก็มีที่พึ่งคืออาศัยของเรามาดูการเคลื่อนไหวให้ใจรับรู้กายเคลื่อนไหวให้ใจรับรู้มันมีสองคนมีกายกับใจพยายามให้กายกับใจเนี่ยมันมีความสมามักสมานชมีสมัคีกกันอย่าให้มันหนีไปไหน ถ้ามันนี้ออกไปเราก็รีบกลับมาจะไปบังคับมันไม่ได้จะไม่ให้มันเกิดก็ไม่ได้ทิ่ง เ, เดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นมาเราเห็นหมดไอ้ดีมันก็เกิดขึ้นมาเราเห็นไอ้ชั่วมันก็เกิดมาเราเห็นมันทําความดีบ้างทำความชั่วบ้างให้เขาดีใจบ้างให้เขาเสีย ใ, ใจบ้างเราเป็นไปตามมันไม่นก็พลอยเป็นไปตามนั่นแหละพอเรารู้จักเนี่ยเราจะรู้จักทางเดินรู้จักทางเดินทางไปทางมา เนี่ยพอมันคิดครับปั๊บเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นมาดีมีทวิ้งเบียร์ใส่เขาดึงไปแล้วเราก็ดึงเข้ามาเขาดึงไปเราดึงมาเราจะไม่เผลอแล้วบะ น, นี้สิ่งไหนที่มันเคยลุกลานเรามาแต่เก่าตะ ก, กอนเคยพาเราทุกเข็นทุกแล้วพอมันคิดไปนานเนี่ยมันเอาสิ่งที่ดีๆมาล่อเรามาหลอกเราหลอกเราก็บางทีเราก็เผลอไปกับมัน ถ้าสิติเขายัางน้อยอยู่มันก็ไปกับมันเอไปตามความคิดเรื่องนี้จบก็ไปเรื่องนั้นมาคิดเรื่องนั้นจบนนออไปเรื่องใันมาคิดต่ออีกไปเรื่อยๆไปออกจากความคิดยากกว่าจะออกได้นี่ก็บางทีก็นอนวันแต่คืนทุนเนี้ยถ้าไม่เห็นคูบามามาให้อารมณ์อะบางทีก็ให้อารมณ์แล้วก็เข้าออกไปเขาปเดี๋ยวประเดาเขาก็มาอีกเข้ามาอีกก็เอากันอยู่งั้นแหละติดติเราก็ยังน้อยอยู่ พานอนอยู่งั้นเราก็ต้องรีบเข้ามาขยันเข้าขยันจะเดินจงกรมขยันสร้างจังหวะนั่นแหละถ้ า, าเห็นเกิดขึ้นมาให้เราเห็นรู้แล้วเราให้เราจะเข้าไปเป็นรู้แล้วก็แล้วไปอยับไปห้ามมันจะไปดีใจอย่าไปเสียใจจิตใจของเราระวังให้มันเป็นกลางกลางอยู่เสมอเสมอเนี่ยได้เข้ามาก็ก็ช่างมันมันจะค่อยจิตใจของเราจะค่อย มีความขยันหมั่นเพียรในการประพฤติปฏิบัติของตัวเองมีสติปัญญารู้จักเร็วท่านสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาให้เราเป็นทุกข์นั่นแหะเราจะออกจากทุกข์เรื่อยๆไปนี่แหละวันนี้พอเราเขาอะไรเข้ามาเนี่ยที่แรกน้องกระหลวงทุกคนนั่นแหละพอเราเข้าใจครูบาอาจารย์ท่านมาสอนแล้วก็ทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยเข้าใจของตัวเอง มันจะรู้จักออกกับทุกสูวจักอะไรเกิดขึ้นมาเราเห็น wn, เ, เ, เห็นแล้วก็แล้วไปเห็นแล้วก็ทิ้งไปเอออะไรเกิดมาเนี่ยมันก็ให้มันเกิดอะไรเกิดมานั่นไม่ให้เป็นไม่ห้ามมันแต่ก่อนเน่ะเคยไปห้ามมันไม่ให้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ยมอยากให้มันใกล้เลยอยากให้มันหนีไปอยู่ไกลๆอยากจะทําลายมันไปกุมตัวเองนั่นแหละมันก็ยิ่งหลงอารมณ์ออกไ ป, ไปเรื่อยๆไป เนี่ยกลับไปกลับมายังไะเป็นเดือนเป็นสอเดือนสามเดือนเป็นเดือนห้าเดือนเป็นปีก็มีมันคามันยุงแต่วุ่นวายอยู่นั่นนะกลับไปกลับมาถ้าเราไม่รู้จักทางมันทแท้ๆ <c oughs> มันจะเป็นอยู่นั้นตลอดไปบ้านนี้เราก็ค่อยๆมาทํามาดูอาการของมันไม่ใช่ว่ามันไปลูกอื่นๆนะเรามาธรรมะเนี่ยคือมาดูชีวิตจิตใจดูกายเคลื่อนไหวหายใจรับรู้เท่าเนี้ย มันรูรู้บรรทุกบรรทางกายแบบใดก็ให้เรารู้จักให้รู้แล้วก็ให้เอาชนะมันให้ได้หาวิธีแก้ไขในตัวของเราเองอย่าไปให้คนนั้นมาทําให้อย่างนั้นหนึ่งนี่มอไรครูบาอาจารย์ท่านก็มาบอกเฉยมาสอนวิธีทำวิธีออกเฉยส่วนจ อ, อกได้ก็อยู่กับเราคนเดียวนั่นแหละให้เราขยันหมั่นเพียรเราอย่าไปอยากได้อยากเป็นอยากมีให้ตั้งออกตั้งใจทํา ดูกายเคลื่อนไหวให้ใจรับรู้มาอาศัยตัวนี้เนี่ยมันรู้นะนะรู้อาการของกายของใจอยู่ตลอดเวลากายเคลื่อนไหวเวลาใดก็มันรู้รู้รูใจมันเห็นมันนึกมันคิดอะไรก็ให้มันเห็นเห็นแล้วก็ไม่ต้องเป็นผู้เป็นกายมันเจ็บมันปวดมันเหนื่อยมันล่ามันหิวมันเป็นยังไงนั่นก็ให้เห็นมันเห็นแล้วก็เอาชนะมันมันฟุ้งซ่านลำคัญอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปสนใจ ให้เราพยายามดูโอ้มันเป็นอยู่คิดนั่นเองมันมีอยู่นี่เองของที่มันมีอยู่เรามันออกใบเขาเห็นมันมาสอนให้เราหุ่จักความทุกข์มันก็สอนเราความสุขมันก็สอนเราให้เราพยายามดูดูไปดูไปเนี่ยหลวงพ่อคุ่นตามภาษาชาวบ้านนะไม่ได้พูดภาษาธรรมะได้เลยไม่ได้เรียนมาก็ดูอาการของมันไปริงที่มันเกิดขึ้นดีใจก็มีเสียใจก็มี เหมือนคนมาตันและเสรน ย, ยกยอเรานี่เหนือนเหมือนกันอความที่ไม่ดีมันขอด่าก็ว่ายินทาเราเราก็รู้จักสว่วนมันจะเป็นไหมเราก็เป็นอาการของมันเกิดขึ้นความพอใจบ้างมันเกิดขึ้นมาเราก็รู้ความดีใหญเกิดขึ้นมาครับเกิดขึ้นมาเราก็รู้รู้แล้วก็ระวังไว้เฉยเนี่ยเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของไม่มีตั ว, ไ ม, มตวไม่มีตนนี่น่ะระวังตาหูจมูกดีนกายใจ ลูกเสียงกินลดผลพระธรรมลมเนี่ยอายตนาติบถ่องเนี่ยอายัดหกอืมก็มีมีหกอายติบอายัติบถองก็มีทั้งอายตนอกภายนอกภายในอายตนาภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอายตนาภายนอกก็บลูกเสียงกินรดผลพระธรรมลมมันเกิดขึ้น ออาการสิงเหล่านี้น่ะอาการอันหนึ่งมันเกิดขึ้นไปอย่างหนึ่งความรักเกิดขึ้นไปอย่างหนึ่งความชังก็เกิดไปอย่างหนึ่งความพอใจไม่พอใจเนี่ยมันสารพัดอยากได้นั่นอยากได้นี่สารพัดนี่จะเกิดขึ้นมันกระทบอะไรมันก็จะเป็นไปเออเห็นรูปสวยๆงามๆมันก็ไปชอบไปอะไรไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายให้เห็นตามความเป็นจริงหูเนี่ยมันยินยินเสียงย่อเสีรเสั้นให้ใรู้จักเออแล้วก็เสียงนินทาก็าให้รู้จัก รู้แล้วเราก็ใจวางวางวางได้มันไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยเราไม่รู้เราก็เป็นผู้เป็นกับมันอย่างนั้นน่ะมันทุกอย่างมันเกิดมันมีตัวมันเนเขาเรียกว่าวัตถุหรืออาการมันเกิดขึ้นมาเราเห็นเราก็ต้องดูดูให้มันเข้าใจต่อไปน่ะถ้าเราเราเห็นไปเห็นไปเราไมนจะค่อยรู้จักรู้จักรูปรู้จักน้ำรู้จักรูปทำน้ำทำรู้จักทุกขังอนิจจังนิตพารู้จักสมมุติรู้จักศาสนาพุทธศาสนา รู้จักบาปรู้จักบุญไปมันที่เป็นเห็นสายเป็นเนี่ยเป็นได้ทางของมันไปจนหมดแล้วมันจะถ้าเราเข้าใจนะ่ะมันจะรู้จักทางเดินไปเรื่อยๆไปถ้าเรายังสงสัยอยู่มันก็โคบบนไหวเวียนไหวใต้เกิดจนใน้พบในชาตินี่แหละกลับไปกลับมาเ อ, อกิเลสพันห้าตัณหาหน่อยแปดมันคนเอาของที่เข้าเก่ามากนึกมาคิดมาพรุงมาแต่งทาระพัดตั้งนั้นมันจะพาไปมันก็เป็นอย่างนั้นจนกว่า นั่นแหละเราก็อย่าไปคิดอยากได้อย่างนั้นอย่างไั้นได้อย่างนีน้ให้เราทําไปเรื่อยๆไปทิ้งวันนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วมันจะค่อยๆเป็นเป็นมูลจักหนทางของมันเองค่อยๆเดินไปนั่นแหละมูลโดยจักรูกดูดูจิตดูใจของเรามันเปลียนเลยมันกระทบมันเป็นไงรูปเวทนาจิตธรรมทางกายทางเวทนาทางจิตทางธรรมนั่นแหละมันจะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะค่อยเห็นไปดูไปดมไป ค, ค, คุมคิดตัวของไป ถ้าเข้าไปถึงที่ไปเห็นบาเปเห็นบุญคุณโทษแล้วมันจะมันจะหมดอารมณ์ของรูปนามส่วนอารมณ์ของปรมัติ์ก็คือกายเวทนาจิตธรรมแล้วก็ต้องดูอ น, นุนดู ด, ดีจิตดูใจดูกายเคลื่อนไหวดูใจรับรู้ดูไปนู่นแหละดูมันก็เหมือนกันละมันก็เหมือนกันไม่ไม่นั่นหรอกเพราะว่าให้เราอยู่น้นมันมีแต่ดูดูคิคดจิตใจของเรา อาจรเรื่องใดมันจะเกิดขึ้นมาเราค่อยลูบไปคูปลูบไปมันจะรููจักอรู้ลูบด้วยจักน้ำเอากวามรูปน้ำเนี่ยไปด่าถูไปทิ้งไปถึงคิดไงจ่ไนก็ตามให้เอารูปกับน้ำนี่เระไปจนกว่ามันจะไปจบจบลงแล้วก็รู้จักสบายอกสบายใจรู้จักรูบบ่ามันกายจิตใจของเราเนี่ยมันระวางสะอาดสงบ มันไม่มีภัยมีอะไรเนี่ยมันก็รู้จักอาการเกิดอาการดับอาการไปอาการมาที่ไหนมันก็ค่อยรู้จักของมันเองไม่ต้องนะหรอกมันจะรู้จักปล่อยจักวางเกิดมาในโลกเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลย ม, มีแต่แต่มาปรุงมาแต่งมาติดทั้งนั้นแหละพอเรารู้จักเข้าใจแล้วในโลกเนี่ยไม่มีอะไรที่จะมีจฉาออกไปได้เลย มีแต่ความดีของเราสองอย่างหล่ามีแต่ความกรรมของเราไม่สองอย่างความดีกับความชั่วเท่านั้นแหละมันจะไปไปตามเราเดี๋ยวเราพยายามปล่อยไปให้ได้อะไรมากระทบกทบ็ให้มันกระทบให้รู้จักแล้วก็ปล่อยไปวางไปไม่ต้องนั่นแหละเป็นของที่ไม่เที่ยงไม่มีตัวไม่มีตนรูปเวทนาจิตธรรมมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของที่ไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็เปลี่ยนแปลงไปให้เราเห็นอยู่ยตลอดเวลา นั่นแหละเกิดเวลาใดก็เป็นทุกเวลานั่นเกิดเวลาใดก็เป็นทุกเวลานั้นมีแต่ทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่ไปอันอื่นไม่มีกายมันกระทุกไปอย่างหนึ่งใจมันกระทุกไปอย่างหนึ่งความปรุงแต่งทุกๆุกอย่างมันก็มีอยู่นั่นนี่เรามาเห็นทางไปแล้วเราก็ค่อยๆทำไปเนี่ยให้ใค้กลัวไว้ไม่มีมนุษย์เทเวลาองค์ใดจะมาให้จะมาบอกเราหรอกมีแต่ของผู้เทียน นั่นแหละเป็นกับหลวงพูดคำเขียนเ่าเนี้ยนี่ต้นละพยายามทําตั้งอกตั้งใจทำนั่นแหละให้เขาค่อยๆทําไปมันจะค่อยเป็นมันจะค่อยมีของมันเองมันอยู่กับเรานี่แหละอืมดีก็จะไปเอาชั่วก็จะไปเอาให้เอาดีโอ้ไงเอาเนี้ยให้เอาอยู่เฉยๆไหะรู้แล้วก็แล้วรู้ก็ทิ้งไปรู้ก็ทิง้งไปเฉยๆเนะี่ยเอให้ดูไป มันก็มีอยู่ในเรานี่แหละเป็นต้มบาตรของเราอันนี้นั่นมันไม่หมดไม่เป็นอันเนี่ยบุญที่เราทำอยู่เดี๋ยวนี้ทำไปทาไปเนี่ยยังไม่ได้เป็นขั้นถึงขั้นถึงตอนมันมันม่จะเข้าไปไม่ถึงเท่านั้ น, นแค่ใดเราก็ได้แค่นั้นถ้าเราตายไปแล้วก็อันทิงที่เราทำอยู่เนี่ยก็จะคอยเราอยู่นี่แหละ อยู่ในโลกนี่แหละถ้าเราจะได้มาเกิดอีกก็รออยู่นี่แหละจะมาช่วยคำจุนอุดหนุนที่คุณงามคนดีนําหารไปในไม่เป็นต่อยอดขึ้นไปเรื่อยไปจนถึงบสามใบกับยอดนั่นแหละมันยังจะได้ไปนิพพานแต่ว่าเราถ้าเรามารู้จักแล้วเรามาฝึกไว้แล้วนั้นเนี่ยฝึกสติตัวปัญญาแล้วเนี่ยรู้จักทางไปแล้วชถติ ต่อไปอีกถ้าเราเกิดขึ้นมามีกรรมอยู่เราก็จะเกิดมาเกิดมาเนี้ยก็จะที่สิ่งที่มาเราทํำมาแล้วเนี่ยแหละจะมาส่งเสริ ม, มเราค้ามจนอุหนุนขึ้นไปชั้นสูงเรื่อยๆไปจนถึงในที่สุดบทไม่เป็นอันเนี้ยไม่เหมือนเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรมอันนั้นเกิดมาในโลกเนี่ยเขามาแต่ชิงกันเป็นใหญ่เป็นตัวกันเนี้ยมาเนี่ยแหละสร้างของกรรมหองไขรของมัน เป็นเทวดาก็ได้เป็นเทวดาอยู่เหมือนเดิมละเป็นพระอินทร์พระพรหมก็เป็นอินทร์พระอินทร์พระพรหมอยู่เหมือนเดิมนะแต่วัยของความดีมันหมดแล้วหมดเบิลหมดหมดเบิลหมดบททานแล้วก็ที่ทำไว้แล้วแล้วก็เขาก็ะได้มาเปิดได้มาเกิดนี่แหละเกิดเบื้องมนุษยโลกเราเนี่ยเขาเรียกว่าโลกิยะธรรมเนี่ยเป็นสมบัติของโลกเราทําอยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่มาเขามาฝ่ายนี้แล้วก็ มาสร้างขนาดไหนก็ตามมันจะเป็นสมบัติของเราอยู่ในโลกนี้มากินอยู่ในโลกนี้หมดแล้วโลกนี้เราก็ถ้าไม่ทำมาความเดีกอย่างพวกเรานี้ก็ได้กินอย่างเดิมนี่แหละมีก็มีอยู่นี่รวยก็รวยอยู่นี่แหละแต่ส่วนเปลี่ยนลับกันรับเปลี่ยนกันลูกเปลี่ยนกันจองร่างจองผันเราฆ่าเขาเขาฆ่าเราเขาชนะเราเราชนะเขามันจะอยู่ในเวียนอยู่ในนกรรมภักรมกรมไมมันนั่นแหละกรรม ให้เราพบหนึ่งก็คือเกิดทีหนึ่งตายทีหนึ่งเกิดทีหนึ่งเกิดครั้งหนึ่ ง, ต า, ง, ง, ง, ง, ง, งตายไปแล้วก็เนี่ยมาเกิดตายไปแล้วก็ไปใช้ใจกรรมแล้วก็มาเกิดขึ้นอีกหมุดกรรมหมดเวนแล้วก็มามาเกิดมันกัเวียนกันเวียนดึงนี่ยไม่รู้ว่าเกิดมาจากครั้งแล้วเราเกิดเป็นคนเนี่ยมาคิดแล้วเอาความงามกับความดีอ่ะมาเทียบกันนะความดีของเราเนี่ยไม่มีเลย ทำอยู่ในเนี่ยในเมืองมนุษย์เนี่ยได้อยู่ตั้งแต่ว่าเกิดขึ้นมาก็ได้ได้มาติดตัวมาเท่ากือคือไม่ก็ไม่ได้รับความสุขหรอกถึงมีเงินมีทองมีข้ามีของได้ก็ไม่มีความสุขนี่แหละอยู่กับทุกข์กินกับทุกข์นอนกับทุกข์อยู่อย่างนั้นใช้ศาสตร์ใช้กรรมเปลี่ยนกัะดุกเปลี่ยนกันลับอยู่งั้นเคยจองร่างจองผันกันแบบใดก็เป็นสมบัติของผู้นั้น เนี่ยของจริงที่มันมีอยู่เราเนี่ยกรรมคือการกระทํากระทําอะไรก็ได้อันนั้นถ้ากรรมไม่หมดมันก็ไปใช้กันหมดจนหมดนั่นแหละเป็นหนี้เป็นตินเป็นป้นข่าระบีหรือไปรักขโมยเขาก็แล้วแต่เนี่ยเห็นเขารักของตัวก็ย่าไปโกรธเกิดไม่ได้ชาติเนี่ยเพราะว่าเราไปรักของเขาไว้ทั้งตะกอนนะถ้าจะปากจะพูดแล้วก็เออเวียนกรรมมันที่เราทํากันมาเนี่ยเออถ้า คอยอ๋องเก้าแล้วก็ให้มันแล่กันไปซะอยา่าฉวยมันมีอีกต่อไปคอยกับยาฉูบไปเซเว่นเจ้าเจ้าก็บยาไปเซเว่นข่อยเข้าใจไหมคุณโยมเออเรามาเนี่ยแต่เดียวก่อนไม่มีคนมาบอกมาสอนเรานะมาเนี่ยเราทํำอะไรโกรธใครอย่าไปซ้าเติมกันอย่าไปฆ่าเจ้าขวางขับทุบฆ่าเจ้าของเองตีเจ้าของเองก็ว่าเรามาหิบหรือจกัก ไปโกรธกันเนี่ยมันสร้างความนารกให้ตัวเองมันเกิดเลี้ยงเกิดลาวเกิดอะไรเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าเราไปไม่มีความสมัครคีกันมีไร่มีนามีห้วมีสวนยังไงก็ตามไปชิงเอาของเขาก็มีบางคนน่ะหน้าแดนเดียวกันไร่แดนเดียวกันจอกหนึ่งคืบหนึ่งมันก็ยังไปหวงอยู่ฆ่ากันก็มีเอ ลูกพี่กับดองก็ค่ากันนะไม่ใจว่างได้คนอื่นเพราะะฉะนั้นเราอย่าไปทำตั้ง อ, อ ก, กงใจทำให้มันได้ทัวชีวิตเป็นเดิมพันหลวงปู่ท่านสอนพวกเรามาเนี่ยไป ต, ต่อเนี่ี้เบไม่ใกล้มีคนเชื่อท่านว่าถ้าทำอย่างเราเนี่ยรับรองรอยเปิดเด่น ท่านพูดให้ฟังอ่ะแต่เท่านั้นวันเท่านี้วันเท่านั้นปีเท่านั้นปีเท่านั้นเดือนเท่านั้นเดือ น, น, น, นท่านพูดให้ฟังหมดถ้าทําแบบนี้ยจะได้เห็นจะได้รู้ได้เข้าใจถ้าไม่เห็นอย่างที่ท่านว่านั่นนะท่านยอมให้ศีนคอเลยมีใครเอาคอเป็นมาประกันเหมือนหลวงปู่ไม่มีหรอกพระศาสดาองค์ใดก็ไม่มีหลวงปู่มีท้าทายเลยเขามาขี้หน้าขี้ตาท่านก็ไม่ ลงโ ล, ล, ล่งรอยแล้วไม่ยอมเท่าสู้จนตายตั้งแต่ก่อนเปิดอบรมอยู่ที่วันสนามในเละวันนี้จะเวลาวันนี้วันนั้นวันนี้วันที่ท่า น, น, น, นจะได้เปิดโอปปุตมะนะเค่อยกันนะถอนพะอระประหอใครจะไปหนีไปไหนก็ไได้ไปแล้วกลัวพวกบ้าฑเขาจะมาไปหลายจะไม่มีคนไปบินบาตให้เขากิน พอถึงวันมาแล้วมีติดเอ็ดติดสองคนก็มีบางปีก็มีหกคนก็มีหลวงปู่ท่านว่าไงวะเ น, นี่ยเอาละท่านนี่เข า, าเอา้ามันมาท่านนี้เอาราดีแล้วท่านว่ า, าถ้าเราได้หมดทุกคนนี่ห้าหกคนนี้ได้คนหนึ่งก็ดีกว่าบ้านตั้งร้อยตั้งพันไม่ได้คนจากคนนะท่านว่าหลวงปู่น่าจงสารเนี่ยแท้ออกยากเอามายากแต่แท้ธรรมะเนี่ยเอามาให้ให้คนนะ่ะ ตาี้หน้าชี้ตาบางคนก็เป็นตำรวจไปนอนเฝ้ามาบวช ด, ด้วยกับท่านนั่นแหละได้สึกออกไปก็มีมาพอได้ธรรมะเข้าใจธรรมะมากราบติ้นน้องพ่อถึงขนาดน่ะขเขาเขามาแต่โทษว่าน้องผู่เราเนี้ยเป็นพะคอมมิวนิสต์ไม่พูดกับพวก พระเทระสมาคมเนี่ยเขาขี้หน้าเลยเขาไม่อยากพูดเขาไม่อยากเคารพดอกท่าจะน่าสมสารน้องปู่อยู่วัดตะน้ำในวันไหนเขาจะเข้ามานี่ก็โอ้ยอ่อนน้อมถ่อมตัวพาพวกหลวงพ่อเข้าไปกราบพวกพระเทระเข้ามาจากนั่นน่ะมาจากเมืองนั่นแหละจังหวัดเทมีมน่ะอยู่ที่วัดตะน้ำใน เขาจะไปกราบใครได้ใครๆเขาใครเข้าเห็นเห็นเราสองปู่ท่านไปกราบเนี่ยเขาเป็นจะเป็นชิดเป็นบางคือจะไม่จะพอพอใจเท่าไหร่จะมาโนเพื่อให้เงี้ยกราบพุ่มแต่จะเป็นที่ก่อยแบบไดแม้ที่ขอบก็ไม่กันนะเพราะว่าเขาไม่เขาไม่นิยมนะพวกเราพอมาปฏิบัติเข้าประเดี๋ยบายเข้าเนี่ยมันยังค่อยเข้าใจพอเข้าใจนี่ก็ มันก็ดีและบ้าเนี้ยลาโกรดลาโรคลาหลวงนี่ก็หลายมาตั้งแต่ญาติของหลวงปู่เนี่ยท่านไปเอาพี่น้องเนี้เข้าได้หลายน ะ, ะมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยดี๋ยวนี้มีแต่ยมถอนกันยุบันหลวงปู่เปิดอบรมทุกปีทุกปีพนพวกเราก็มาแล้วตรงนี่ก็ตั้งอกตั้งใจทำ ให้มันเข้าถึงแท้ๆจิตใจของตัวเองอะ่ะถ้าเราเข้าใจแล้วมันจะ จ, จะไม่ตกคอยน่อยใจถึงแม้ว่าเรามาเป็นเกิดมาในเมียงมนุษย์นี่เราเนี่ยมันจะไม่ตำกวาคนทั้งหลายคนที่เขาเคยทำกรรมทำเวรของตัวเองนั่นอะ่ะเขาจะเป็นคนทุกข์ยากเขนใจอยู่อย่างนั้นตลอดไป ทำอะไรขึ้นมาก็มีแต่คนรับคนมาลักมาฉกมาอิจฉาบังเบียบไม่ได้อยู่ดีกินดีเท่าไหร่บีของตัวมากๆก็มีแต่คนเขามาลักเอามาชิงเอาอแล้วก็คนด้านเดิงเนื้อหาเรื่องคนนี้มาหาเรื่องอย่างนั้นคนนี้มาหาเรื่องอย่างนั้นเราทําไว้แล้วเราเราเคยไปทำขเขาแล้วเขาก็ต้องมาทําเราไปคลองอย่างนั้นแหละ ทั้งดีทั้งคือว่าเขาว่านอนอยู่ในเตี้ยนในน้ําเนี่ยอย่างเที่ยวเราเี่เคยอิจฉาพยาบาทด่าว่ากันติตินินทากันทําให้เขาเจ็บอกเก็ยรติกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ว่าเขาไม่ได้พูดได้จ่ า, าเขาไม่รู้จากเรื่องอะไรนําเลยเนี่ยเราเองอะ่ะมันจะไปอยู่กับเผ่าเราเองเราเองหมดเลยแต่ว่าแะไรเขาเขาก็ไม่ถือไม่จ่าเรามีแต่ด่าด่าว่าเขาอย่างเนี้ยนอนอยู่ในเตี้ยนในน้าคือนอนอยู่ในความคิดนั่นเอง เออแทนว่าที่แทนที่ว่าจะนอนหลับมันก็เอาเรื่องนี้มาคิดเอาเรื่องนี้มาคิดคิดเห็นคนนั่นบ้างคิดเห็นคนนี้บ้างเอยคินไม่ได้นอนไม่หลับอยากให้เขาล้มเขาตายจากเขาคิดหายหาวิธีจะมาปล ong ไล่เขานั่นนั่นกรรมเก่าของเราไม่ใช่กรรมใหม่นะเออมันยานกลัวเราลืมมันมาเตียนไว้เล่ยนั่นแหะเราใส่แล้วมันก็เป็นอยู่นั่นเพราะว่าเรามันมันเป็นมันสั้งไว้แล้วเพราะฉะนั้นเรามาเนี่ย ลดละอะไรวางปล่อยให้หมดเรื่องเขาจะมาฆ่าฟันลันแทงอะไรก็จะทุเรกเขาจะทําให้เราคําพูดในมันติดติน้นนิทาอะไรด้อมไม่ต้องไปพูดให้เขาเอาหมดนะเราจะไปเอาเออมันจะขอบคุณตัวเองหรอกทิ่งในที่มันมากระทบแรงๆเนี่ยโทษถึงคอขาดบาตายอย่างเนี่ยชี่หน้าชี้ตาหรอกเนี้ยเราอดทนได้ เราเนี่ยจะมีความภาคภูมิใจตัวเองเออจิตใจมันอบมันอุ่นมันเห็นเขาเรามันสงสารเขาไม่เคยมีเนี่ยเขาเขาอยากได้เหมือนกันเขาอากดีเหมือนกันนาอยากเหมือนอยากดีเหมือนอย่างเราแต่ว่าเขานั่นอยากได้ดีจะได้เขาทำไม่เป็นเราก็ปล่อยให้เขาไปอันความปล่อยวางตัวนี้แหละมันไม่มีกรรมในเว้น่ะเออถ้าจะมันอดไม่ได้ก็ เอาซ้าเจ้าอ่ะเย้าไขว่เยบาบ้ยาจากเดอ้อพระท่านอันนี้เจ้าเขาดอกไปเจ้าเอาเจ้าอมรดท่านเจ้าเอากระตามมีกระดุงตามเนี่ยเอาพ้อนไปมันมวดเอาให้เต็มนี้ถ้าก้อนเดออ้อค่อยเศร้าท่านถึงท่านพวกเราเนี่ยเมื่อก็มันจะค่อยดีเองเอะไรพูดมันเนื้กว่าสมควรเจว่าเวลาข อ, อุติเดียรเพียงเท่านี้ขอทุกท่านทุกคนจงตั้ง อ, อกตั้งใจมาพึ่งด้วบาตรให้ ออกจากทุกข์ให้ได้อย่าไปเอาสิ่งไหนที่มันคู่ก็จะปลดหยับเอาไปเป็นของขวัญตัวเองเอาไปปลดปล่อยวางไปให้จิตใจได้รับแต่ความแสงสว่างความสะอาดความสงบความอยู่เย็นเป็นูกทุกท่านทุกคนเทอน